เหตุใดนักศึกษาส่วนมากจึงมองไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาคนที่สามารถจะเข้าใจและเชื่อสนิทว่าพระพุทธศาสนาสามารถช่วยให้เกิดผลสมประการนี้ได้อย่างแน่นอนนั้นก็แต่เมื่อตัวเองได้ศึกษาและปฏิบัติจนกระทั่งผลสามอย่างนี้เกิดขึ้นแก่ตัวเองแล้วเท่านั้นจึงจะมีความแน่ใจว่าแม้คนอื่นถ้าหากได้ศึกษาและปฏิบัติเหมือนกับตัวเอง ก็จะต้องได้ผลอย่างเดียวกันส่วนคนที่เพียงแต่ได้ศึกษาแต่ไม่ได้ปฏิบัติหรือลงมือปฏิบัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับผลสามประการนั้นคนเหล่านี้ก็จะยังมองไม่เห็นว่าจะนำพระพุทธศาสนามาพัฒนาบ้านเมืองได้อย่างไรฉะนั้นการที่นักศึกษาหรือบุคคลที่เป็นชั้นผู้นำในวงงานต่างๆไม่คิดจะเอาวิธีทางพระพุทธศาสนามาใช้ในวงงานของตัว ก็เพราะคนเหล่านี้ยังไม่เคยได้รับผลดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองและในเมื่อตัวเองเคยเห็นแต่ผลสาการที่นำเอาวิธีทางตะวันตกมาใช้จึงได้คิดแต่จะเอาวิธีทางตะวันตกมาใช้พัฒนาบ้านเมืองส่วนวิธีการทางพระพุทธศาสนานั้นคนเหล่านี้จะไปเกี่ยวข้องก็เฉพาะแต่ในเรื่องที่เกี่ยวกับประเพณีเพราะเหตุการณ์ในสังคมบังคับให้ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง เช่นในกรณีของการทำบุญต่างๆอย่างนี้เป็นต้นส่วนใจจริงเขาไม่เลื่อมใสเพราะมองไม่เห็นประโยชน์